จบเสียงานความว่างธรรมเทศนาโดยท่านพุทธทาสภิขุอ่านโดยอริยคุณขอทุกท่านร่วมอนุโมทนาเจ้าภาพเพิ่มเติมอีกดังนี้ครอบครัวทิบทานทองนิชามาโซภาพันงามพิริยากุญชัยวิรงรองเตียมสกุลยานินวเวียงเกตชุดทเดศสุภกิจสินครอบครัวทรงผลวิไลวันกุลเพิ่มทวีรัตน์กานิยาบุญธกาณ น, น์ ร่วมกับอีกหลายท่านดูได้จะเครดิตท้ายเรื่องและขออนุมโมทนากับท่านที่ไม่ประสงค์ออกนามด้วยนะครับสับพพทานังธรรมะทานังชินาติการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวง